ลำดับนั้นพระมหาสัตว์ได้สดับพระวาจาของพระราชานั้นแล้วจึงทูลว่าดีแล้วพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูมารดาบิดาของข้าพระองค์เถิดเมื่อจะชี้ทางให้ทรงทราบจึงทูลว่าข้าแต่พระราชาผนทางที่เดินเฉพาะคนเดียวซึ่งอยู่ทางหัวนอนของข้าพระองค์นี้ พระองค์เสด็จดำเนินไปแต่ที่นี้กึ่งเสียงกู่จะถึงสถานที่อยู่แห่งมารดาบิดาของข้าพระองค์ขอเสด็จดำเนินแต่ที่นี้ไปเลี้ยงดูท่านทั้งสองในสถานที่นั้นเถิดบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าที่เดินเฉพาะคนเดียวเอกะปฏีได้แก่ทางเดินเฉพาะคนเดียวคําว่าทางหัวนอนอุดศีสะเก ได้แก่ในที่ด้านศีรษะของข้าพระองค์นี้คำว่ากึ่งเสียงกูอัท ธ, ธโคสังได้แก่ระหว่างกึ่งเสียงกูพระมหาสัตว์ทูลชี้ทางแต่พระราชาอย่างนี้แล้วกลั้นเวทนาเห็นปานนั้นไว้ด้วยความสิเนหาในมารดาบิดาเป็นกำลังประคองอัญชลีทูลวิงวอนเพื่อต้องการให้เลี้ยงดูมารดาบิดา ได้ทูลอย่างนี้อีกว่าข้าแต่พระเจ้ากาศิกราชข้าพระบาทขอโน้มกราบพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ยังชาวกาศีให้เจริญข้าพระบาทขอโน้มกราบพระองค์ขอพระองค์ทรงบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอประคองอัญชลีถวายบังคมพระองค์ ข้าพระองค์กราบทูลแล้วขอพระองค์มีพระดํารัสกะมานดาบิดาของข้าพระองค์ให้ทราบว่าข้าพระองค์ไหว้นบท่านด้วยบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าข้าพระองค์กราบทูลแล้วขอพระองค์มีพระดํารัสพุตโตวัชชาสิความว่าพระมหาสัตทูลว่าข้าแต่พระราชาผู้ใหญ่ พระองค์ผู้อันฆ่าพระองค์กราบทูลแล้วโปรตรัสบอกการกราบไหว้ให้มารดาบิดาทราบอย่างนี้ว่าสามะบุตรของท่านทั้งสองถูกเรายิงด้วยลูกศร อ, อาบยาพิษที่ริมฝั่งแม่น้ํานอนตะแคงข้างขวาเหนือหาดทรายคล้ายแผ่นเงินประคองอัญชลีแก่ท่านกราบไหว้เท้าทั้งสองของท่านพระราชาทรงรับคํา พระมหาสัตว์ฝากไหว้มาดาบิดาแล้วก็ถึงสลบนิ่งไปพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศข้อความนั้นจึงตรัสว่าหนุ่มสามะผู้เห็นกัละยาณธรรมนั้นครั้นกล่าวคำนี้แล้วได้สลบหมดสติเพราะแรงยาพิษบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้สมปัจชทะได้แก่เป็นผู้วิสัญญี พระมหาสัต์นั้นเมื่อกล่าวมาได้เพียงเท่านี้ก็ดับอัตสาสะไม่ได้กล่าวต่อไปอีกเลยก็ในการนั้นถ้อยคำที่เป็นไปอาศัยหัไทยรูปซึ่งติดต่อจิตแห่งพระโพธิสัตว์นั้นขาดแล้วเพราะกำลังแห่งพิษซาบซ่านโอดของพระโพธิสัตว์ก็ปิดจักษุก็หลับมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายทั้งสิ้นเปื้อนโลหิต ลำดับนั้นพระราชาทรงคิดว่าสุวรรณสามนี้พูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรไปหนอจึงทรงพิจารณาตรวจ ด, ดูลมอัตาสะปัตสาสะของพระโพธิสัตว์ก็ลมอัตาสะปัตสาสะดับแล้วสรีระก็แข็งแล้วพระราชาทษพระเนตรเห็นเหตุนั้นก็ทรงทราบว่าบัดนี้สุวรรณสามตายแล้วดับแล้ว ไม่ทรงสามารถที่จะกลั้นความโศกไว้ได้ก็วางประหัตไว้บนพระเศียรคร่ำครวนรำพันด้วยเสียงอันดังรัศาดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจึงตรัสว่าพระราชานั้นทรงคร่ำครวญ น, น่าสงสารเป็นอันมากว่าเราได้มีความสำคัญว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้เรื่องนี้วันนี้แต่ก่อนหารู้ไม่ เพราะได้เห็นสามะบันดิตทำกาละกิริยาความตายจะไม่มาถึงย่อมไม่มีสามะบันดิตถูกลูกสร อ, อาบยาพิษซึมทราบแล้วพูดอยู่กับเราครั้นการล่วงไปอย่างนี้ในวันนี้ไม่พูดอะไรอะไรเลยเราจะต้องไปสู่นรกแน่นอนเราไม่มีความสงสัยในข้อนี้เลย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 บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าได้มีอาสิงความว่าเราได้มีความสำคัญว่าจะไม่แก่ไม่ตายมาตลอดการเท่านี้คำว่าเรื่องนี้วันนี้อัจเชตังความว่าวันนี้เราได้เห็นสามะบัณฑิตนี้ทาการกิริยาจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเราสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้น ข่าว่าความตายจะไม่มาถึงนัติมัจจุสสะนาคโมความว่าพระราชาทรงครวนคร่ำรำพันว่าความมาแห่งมัจจุนั้นเรารู้ในวันนี้เองเมื่อก่อนแต่นี้เราไม่รู้เลยคำว่าครั้นการล่วงไปอย่างนี้ในวันนี้สวาสดเชวังคเตกาเลความว่า พระราชาทรงแสดงว่าสามะบันดิตใดถูกลูกสอนอาบยาพิษสุงทราบแล้วจรจาอยู่กับเราในบัดนี้ทีเดียวสามะบันดิตนั้นครั้นมรณะการไปคือเป็นไปอย่างนี้ในวันนี้ไม่กล่าวอะไรอะไรแม้แต่น้อยเลยคำว่าเพราะว่าในการนั้นตทาหิความว่า เราผู้ยิงสามะบัณดิตในขณะนั้นได้กระทำบาปแล้วข้อว่าหยาบช้าตลอดราตรีนานจิรังรัตตายะกิพิสังความว่าก็บาปนั้นทารุณหยาบช้าสามารถทำให้เดือดร้อนตลอดราตรีนานคําว่านั้นตัดสะความว่าติเตียนเรานั้นผู้เที่ยวกระทำกรรมชั่วเห็นปานนี้ คำว่ากล่าววัตตโรความว่าย่อมติเตียนติเตียนที่ไหนติเตียนในบ้านติเตียนว่าอย่างไรติเตียนว่าเป็นผู้ทํากรรมหยาบช้าพระราชาทรงเครื่องครวญว่าก็ในป่าอันหามนุษย์มิได้นี้ใครเล่าควรจะกล่าวติเตียนเราถ้าจะมีก็พึงว่ากล่าวเรา คำว่าให้เราสำนึกสารยันติได้แก่ในบ้านหรือในนิคมเป็นต้นคำว่าคนทั้งหลายจะประชุมกันสังคัจฉะมานะวาความว่าคนทั้งหลายจะประชุมกันในที่นั้นๆจะยังกันและกันให้ระลึกถึงกรรมทั้งหลายจะโจทย์อย่างนี้ว่าแน่ท่านผู้ฆ่าคนท่านทำทารุณกรรม ท่านต้องได้รับโทษอย่างโน้นแต่ในป่าอันหามนุษย์มิได้นี้ใครเ่าจากยังพระราชานี้ให้ระลึกถึงกรรมพระราชาทรงโจทย์ตนคร่ำครวญอยู่อย่างนี้ด้วยประการชนี